คนจีนยกมือหน่อยสิคนจีนกลับไปหมดยังลอมี่นัน่ก็อนุมโมทนานะุึกษามาเรียนพวกเราดูตัวอย่างไว้อย่างคนจีนมาเรียนเนี่ยไม่ใช่ง่าย พูดก็ไม่รู้เรื่องไม่ต้องมีคนแปลถ้านะ แ, แปลเก่งๆก็ได้เนื้อธรรมะเยอะเลยบางคนแปลไม่เก่งหลวงพ่อเคยไปเมืองจีนทีงพิเทศคนแปลก็ก็แปลได้หกสิบเอร์ซนตสูงสุดธรรมะมันก็ว้าวาแหว่งแหวง่งนะนี่แปลมาหลายปีแล้วก็ ได้เยอะหน่อยปัญหาก็เยอะนากว่าจะมาได้ออกนอกประเทศมาค่าใช้ใจ่ายก็มีบางยุคนโยบายก็ไม่อำหนวยให้ออกมาได้ยุคนี้เปิดก็ออกมาออกมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องภาษาอีก บางวันไม่มีคนแปลนะคนจีนมานั่งหลายสิบคนนะองค์พระไม่รู้จะทำไงเป็นตัวอย่างให้เราดูนะว่าวันหนึ่งถ้าพระพุทธศาสนาหายไปจากบ้านเราล้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปเรียนมาจากเมืองจีนบ้างมันลำบากลำบากกว่าที่คนจีนมาเรียนเมืองไทย อย่างเข้ามาเรียนอ่ะก็มีปัญหาสำนักต่างๆมันก็เยอะแยะบางคนก็เรียนอะไรที่แปลกๆ ป, ประหลาดๆไปบางคนนั้นเจอธรรมะจริงๆบางคนก็ไม่ได้ถ้าเราต้องไปเรียนที่เมืองจีนแล้วไม่เจอปัญหาอย่างเดียวกันอีกอาจจะไปเรียนธรรมะปนเปื้อน ในเมืองไทยนี้เยอะนะธรรมะปนเปื้อนมันเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมานานอย่างคนโบราณจริงๆก็จะนับถือผีบรรพระบูรุษต่อมาก็ขยับขึ้นมาหน่อยให้ดูที่นับถือธรรมชาติธรรมชาติแค่เป็นเทวดาพระอาทิตย์ก็เป็นเทวดานะ น้ำก็มีเทวดาดินก็มีเทวดาก็นับถือเทวดากันนับถือเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรเงี้ยนับถือ็นศาสนาพุทธเข้ามานมันก็ผสมตอนที่ศาสนาพุทธเข้ามาในแผ่นดินนี้ไม่ใช่เข้ามาศาสนาเดียวพรามหมณ์ฮินดูอะไมันก็เข้ามาด้วยเข้ามาก่อนเราสิก่อนพุทธสิง มันี่จะปนปนเปื้อนนะปนกับรัติถือผีลัธิบูชาบรรพบุรุษรัทติบูชาธรรมชาติลัธิบูชาเทพเจ้าที่ปรดาพวกเราจะไหวอะไรปนปกันไปหมดเลยกว่าจะเข้าใจธรรมะนะกลั่นกรองแยกแยะเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาออกมาได้ถึงไม่ใช่เรื่องง่าย ท่างคนที่พยายามจะเรียนศาสนาพุทธจริงๆนะี่ยก็เกิดการตีความที่แตกต่างกันอันนี้เป็นเรื่องปกติจะเกิดนิกายนิกายมันมีมาตั้งนานแล้วใช่หมหลังปรินิพพานใหม่ๆมันก็เริ่มมีนิกายขึ้นมาอกลุ่มของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเทรวาตเราถือมติ ที่พระมาหากัะสปะขอกระสง5 0ารอยองค์ว่าจะยืนหยัดอยู่ในพระธรรมคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าจะไม่เพิ่มแล้วก็จะไม่ลดคำสอนของพระพุทธเจ้านะนี่พอสังคยานาเสร็จก็มีพระมาจากที่อื่นทางคณะสงฆ์ก็บอกพวกพระว่า สังฆทานเสร็จแล้วมีมติว่าจะคงคำสอนของพระพทธเ้าไว้พระองนั้นท่านก็ตอบเลยบอกว่าสังฆทานกันท่านก็อนุมโมทนานะแต่ท่านจะเชื่อคำสอนที่ท่านได้ยินจากพระพุทธเ้าด้วยตัวท่านเองคล้ายๆมติของท่านก็ดีไม่ว่าหรอกแต่ฉันจะเชื่อ ที่ฉันได้ยินจากพระพุทธเจ้ามันก็เริ่มมีรอยปลิกให้เราเห็นแล้วใ น, น, นส่วนก็เกิดนิกายในศาสนาพุทธนับเป็น ส, สิบสิบนิกายลหลายสิบนิกายบางนิกายช่วงหนึ่งก็หายไปบางนิกายเหลืออยู่แล้วก็ปนกับ น, นิกายที่เคยไม่ถูกกันก็มีผสมไปเรื่อยๆมาถึงรุ่นมือเราเนี่ย ธรรมะมาตกมาถึงรุ่นพวกเราเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาว่าจะเรียนจะแยกแยะคำสอนดั้งเดิมต้องเรียนกันจริงๆต้องเรียนรากเดิมเลยก็คือตัวพระไตรปิฎกแก้ไม่ได้ต้องรักษา ในยุคเรานี้ยังมีคนพยายามจะแก้พระไตรปิฎกนะบอกพระไตรปิฎกขาดตรงนี้ตรงนี้เกินจะตัดออกอย่างท่านพุทธทาสท่านบอกอภิธรรมนี่เกินตัดออกได้คนจำนวนมากก็รับไม่ได้เหมือนกันเาั้นธรรมะเนี่ยนะมันพร้อมจะแกว่งตลอดเวลาพร้อมจะบิดจะบิดจะเบี้ยวไปตามกิเลส การที่เราจะเรียนทำมาให้เข้าใจจริงๆนะต้องลงมือปฏิบัติจริงๆนี่พอจะลงมือปฏิบัติก็มีปัญหาอนะีกแล้วสำนักปฏิบัติเยอะแยะไปหมดเลยจะลงมื อ, อยังไงนะล้วก็ค่อยๆสังเกตไปการปฏิบัติแนวไหนเนี่ยที่สามารถลดละ ก, กิเลสไดนะ้กิเลสที่มีอยู่ก็ดับสูญไปกิเลสใหม่ไม่เกิด ว่ากุศลที่ไม่มีก็เกิดมีขึ้นมากุศลที่มีแล้วเจริญขึ้นมาเนี่ยวัดได้ตัวของเร า, อาเองแเ้าปฏิบัติทำแล้วลดละ ก, กิเลสได้ก็โอเคก็ไม่ต้องพูดว่ามันสำนักไหนสำนักไหนหรอกแต่ถ้าปฏิบัติแล้วลดละ ก, กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ใช่หรือปฏิบัติแล้วก็ละโมบโลบมากอยากโน่นอยากนี่อะไรางนีนก็ไม่ใช่ ธรรมะของพระพุทธเจ้านะมากน้อยสันโดษหรือปฏิบัติแล้วก็ชอบพูดนวายกับโลกนะไม่สนใจความสงบความวิเวกก็ไม่ใช่นะต้องมากน้อยสันโดษไฝในความสงบทางกายทางจิตใจนะก็สงบจากกิเลสประรบความเพียรไม่ใช่อยู่เฉยๆก็บรรลุมรรคผลนอนเฉยๆก็บรรลุมรรคผลไม่ใช่ ต้องลงมือปฏิบัติก็เจริญศีลสมาธิปัญญาึ่งกระทั่งบิมุตเกิดบิมุตก็คือการที่จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสมันจะหลุดพ้นเป็นลำดับลาดับไปมีสี่ขั้น โสดับันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์สีขั้นในขั้นพระอรหันต์จิตหลุดพ้นจากอาสวะจริงๆในขั้นก่อนหน้านั้นอริยมรรคก็ไปทําลายสังโยชน์บางตัวไปแต่ยังเหลือยังเหลือสังโยชน์เหลือกิเลสชั้นละเอียดอยู่ค่อยๆฝึกในที่สุดก็ทําลายกิเลสได้หมด นี่เราจะฝึกยังไงล้วก็ดูองค์มรรคมรรคมีองค์แปดขั้นแรกเลยเราต้องเรียนให้ได้ก่อนว่าสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐนะิก็คือการเรียนรู้เรื่องอริยสัจสรู้ว่ารูปนามขันธ์ห้านี่คือตัวทุกนี่เรียกว่าทุกนะรู้หน้าที่ต่อทุกก็คือการรู้ ไม่ใช่กันละเพราะหน้าที่ของเราเนี่ยต้องรู้ทุกคือรู้ความจริงของกายของใจตัวเองรู้ความจริงของขันห้าบางคนก็แยกในมุมอื่นไม่ใช่มุมของขันห้าตัวรูปนามเนี่ยบางทีก็แยกไปในมุมของขันห้าก็ได้แยกในมุมของอายตนะหก็ได้ธาตุสิปก็ได้อินสียก็ได้ปฏิจจสมุปา ได้แล้วแต่จะแยกกันก็คือเรื่องของขันธห้าทั้งนั้นเรื่องของรูปนามฝั่งเราเยอะใช่ไหมยังไม่ต้องตกใจแค่ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูก็ถือว่าโอเคแล้วแยกได้แล้วอเาตัวรอดเนี่ยนะสมาธิที่เ ร, เริ่มจากการรู้อริยสัจแต่มันเป็นการรู้ทางตฤษฎียังไม่ได้รู้ด้วยใจ เพรนสมาธิิในเบือนน 8, เบ้องต้นเนี่ยมัสมีองแปดในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ใช่อริยมัคแต่มันเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมัค ก, ก็เรียกว่าบุปผากรรมัคเป็นบุปผ า, าคักเป็นส่วนเบื้องต้นของอริยมัคสมาธิิก็เป็นสมาธิิในทางทฤษฎีมีทฤษฎีที่ถูกต้องคําว่าทิฏฐิเป็นภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตใช้คำว่าทฤษฎีพวกเรารู้จักคำว่าทฤษฎีไหมสมาธิก็คือไบรท์เทอรีมีทฤษฎีชีนนำที่ถูกต้องแล้วที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ให้ตัวสมาธิที่เราจะต้องรู้จักคืออริยสัจอริยสัจเริ่มจากทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามไม่ใช่ อ, อกหักักคูดเป็นทุกข์นะ แั้นมันทุกอย่างอื่นแต่ทุกข์ขัต์เนี่ยกายนี้คือทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์พวกเราเห็นไหมกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ไม่เห็นหรอกพวกเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นอย่างนี้ใช่ไยเงินไม่เรียกว่าเห็นทุกข์นะถ้าเห็นทุกข์น่ยเราจะรู้เลยกายนี้มีแต่ทุกข์ล้นล้วนแค่ทุกข์มากกว่าทุกข์น้อย จิตนี้เป็นถูกข์ล้วนๆแค่ทุกมากกับทุกน้อยเรื่องที่เรียกว่าเห็นทุกจริงๆสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจหน้าที่ต่อทุกข์ที่พระพุทธเจ้าบอกนะคือการรู้ตามความเป็นจริงเพราะั้นการที่เราคอยรู้กายรู้ใจที่เรียกว่ามิปัสนากรรมฐา น, นก็คือการทําหน้าที่ต่อทุกข์เรียนรู้ทุกข์ อริยสัตว์ตัวต่อไปคือตัวสมู ท, ทยนะัยทุก์ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆทุกเกิดเพราะมีเหตุให้เกิดเหตุให้เกิดทุกเขาเรียกวตัวสมู ท, ทยนะัยก็คือตัวอยากเราก็าไปสังเกตดูจริงไหมถ้าอยากเราทุกจริงไหมทุกครั้งที่มีความอยากจะมีความทุกจริงไหมคนในโลกไม่เห็นหรอกคนในโลกเห็นว่ามีความอยากยังไม่ทุกนะต้องไม่สมอยากถึงจะทุก ไหมมันไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเราลรุกคิดไหมถ้าได้อย่างที่อยากไม่ทุกถ้าไม่ได้อย่างที่อยากถึงจะทุกเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้รู้จักศาสนาผู้จริงๆเรายังไม่ได้มีทฤษฎีชี้นําที่ถูกต้องนะแต่เรามีทฤษฎีที่ผิดคือมิจฉาทิฐนะิอย่างทุกเราก็เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุกบ้าง ในขณะที่พระแท้เจ้าชิ้ว่ากายนี้ใจนี้คือทุกข์ก็ถูกมากกับถูกขน้อยสมุทยัยรือตัวอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ยังเห็นว่าตัวอยากยังไม่ทําให้เกิดทุกข์ไม่ได้อย่างอยากถึงอจะทุกข์นี่แหละเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ชาวพุดที่แท้จริงหรอกนะยังห่างไกลมากเลยนี่เราก็ค่อยๆมาฝึกนะต่อไปเราจะเห็นเรียนอยูหลวงพ่อเนี่ยสักพักหนึ่งจะเห็นนะ ทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นความถูกจะเกิดขึ้นใจมันจะถูกบีบคั้นทันทีเลยนะอยากฟังเทศใจถูกบีบคั้นไหมบีบคั้นร่างกายยังถูกเลยต้องตลีตาลานมาตั้งแต่ตีสนีะ่ตีสี่ตีห้าออกจากบ้านนะถ้าตีห้าออกจากบ้านก็นั่งนอกสัมผัสธรรมชาตินะ <c oughs> ถ้าตีสี่มาเฝ้าอยู่หน้าวัดนะยังไม่ได้เปิดประตู เดี๋ยวผู้ร้ายมันเข้ามาคนมาวัดไม่ใช่ดีทุกคนเนาะบางคนมันก็ผู้ร้ายแอบแฝงเข้ามาก็มีข้าวของอะไรเงี้ยพวกเราต้องระวังนะเอามือถือมาจองที่นั่งเนี่ยนะสุดท้ายเหลือแต่ที่นั่งไม่มีมือถือ <laughs> ผู้ร้ายมันก็ไปทุกหอดุกแห่งแล้วเห็นที่นี่คนเยอยอมัน้เข้ามาเนี่ยสมูทายนะ หน้าที่ต่อสมุทัยคือตัวตัณหาทำยังไงท่านบอกให้ละเสียไม่ใช่รู้เฉยๆนะต้องละต้องเอาชนะมันไม่ตามใจมันวิธีละมันก็คือการเจริญมรรคนั่นเองอละตัณหาได้อริยศาสตัวที่สามตัวนิโรธนิโรธคือความดับดับทุกข์ นิโรธเนี่ยในทางปริยัติแจกแจงไว้ห้าอย่างดับด้วยอะไรด้วยสมาธิดับด้วยปัญญาดับด้วยวิมุตติดับได้หลายอย่างนะนะนดับด้วยสมาธิใจเราฟุ้งซ่านแล้วก็พุโทโธพุโทโธเนี่ยความฟุ้งซ่านดับไปเป็นนิโรธแต่นี่นิโรธเบสิก ไม่ใช่ถึงระดับอริยมรรคหรอกหรือการเจริญมีปั ส, สนาเนี่ยก็ดับความเห็นผิดเป็นส่วนๆไปก็เป็นนิโรธเหมือนกันนี่นิโรธที่ดีนะก็ต้องเจริญปัญญาเรีนความจริงยจนเกิดมรรคเกิดผลนิโรธมีห้าตัวดับเพราะสมตะนี่ก็ดับได้บางอย่าง ดับพนิ้บอดเนยไดยส้สถะได้ดับด้วยวิปั ส, สนานเกิดวิพั ส, สนาญาณค่อยๆลาความเห็นผิดไปเป็นขั้นๆนนดับด้วยมรดดับด้มรดเนี่ยคือดับพวกสังโยชน์พวกอะไรอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งดับด้วยอริยผลดับความดินรนปรุงแต่งหิวโหวยทั้งหลายดับความฟุ้งซ่านนะ ตัวสุดท้ายคือตัวนิพพานนิโรธตัวสุดท้ายจาได้ไหมด้วยสมถะมิปัสสนามรลนิพพานที่เราต้องการนี่คือดับด้วยมรลนิพพานดับด้วยสมถะมิปัสสนายังกลับกรอกอยู่ยังเป็นโลกียะอยู่ยังมีราคาขึ้นมาพิจารณาสุภาษณ์เนี่ยราคะดับ นะดับชั่วคราวเดี๋ยวเวราคาก็มาอีกละมีโทสะแผ่เมตตาไปนะโทสะดับเพล อ, เ, ลอเดี๋ยวโทสะก็กลับมาอีกละไม่ยังกลับกรอกอยู่นะยังใช้ไม่ได้จริงจะ ใ, ใช้ได้จริงเราต้องดับด้วยมรด้วยผลด้วยนิพพานะนี่ทำไงจะได้มรผลนิลพพานพระเทเจ้าก็บอกวิธีการวิธีการเส้นทางรือตัวมร ยงแปดประการเริ่มต้นมีทฤษฎีชี้นาที่ถูกต้องก่อนนะว่าเราจะต้องรู้ทุกนะแล้วถ้าเรารู้ทุกได้เมื่อไหร่ก็เราจะละสมุทัยเมื่อ น, นั้นล้ะเองถ้าเราละสมุทัยเมื่อไหร่นิโรธจะปรากฏขึ้นเมื่อ น, นั้นนะปรากฏขึ้นเองไม่มีใครทํานิโรธให้เกิดไดนะ้แล้วก็มรรคเนี่ยเป็นทางปฏิบัติเนพะื่อเจริญทําให้เจริญทําให้เกิด ใ, ใ, ให้บ่อยๆ เรอยๆค่อยๆเรียนไปาการที่เรารู้ทุกนั่นแหละก็คือการเจริญอริยมรรคจะรู้ทุกได้ก็ด้วยการเจริญอริยมรรครู้ทุกแล้วก็ลาสมู ท, ทยัยลาทันทีในทันทีที่รู้ทุกในขณะนั้นจะลาสมู ท, ทยัยในขณะนั้นจะแจ้นิโรธในขณะนั้นจะเกิดอริยมรรคจิตสี่อย่างในริยะสัตวสี่จะเสร็จในขณะจิตเดียวนะ จะเสร็จเ่งวับเดียวนะขาดสะบั้นตรงนั้นเลยตรงที่อริยมรรคเกิดเป็นความสัจรันร์ของธรรม ะ, ะไม่ใช่วันนี้รู้ทุกผูน้ลัสสมุทัยมาลืนนะถึงนิโรธมาเรื่องไปเจริญมรรคใหม่ไม่ใช่ครั้งหนึ่งมีพระอราหันต์ท่านอยู่ด้วยกันหลายองค์องค์หนึ่งมีชื่อเสียงคือพระขวัมปติเคยได้ยินไหพระขวัมปติ เราชอบวาดวาดภาพท่านเาปันรูปท่านเป็นพระรู้จักไหมพระปิตาพรนะปิตาพระความปติเป็นเพื่อนกับพระยะัสสะเาะฉั้นเป็นพระอราหันต์รุ่นแรกนะอยู่ในกลุ่มพระยะัสสะเคยได้ยินไหมพระยะัสสะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอได้ฟังธรรมแล้วก็ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องนะบรรลุพระอราหันต์พระพวก หกสิบองมาบวดหนึ่งในนั้นคือพระกวามปติพระความปฏิเป็นพระอรหันต์นพระพุทธเจ้าก็ส่งพระอรหันต์เนี่ยแยกย้ายกันไปประกาศธรรมะให้กระจายกันไปเผยแผ่พระกวามปฏิทั้นก็ไปอยู่ของท่านเผยแผ่ธรรมะไปก็ต่อมาพระอรหันต์ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นไปที่เรียนจากพระพุทธเจ้าก็มีอะไรก็มีมาอยู่กับพระกวามปฏิเหมือนพระเดียวนี้ยก็ตระเวนไป อยู่สำนักครูบ า, านนอาจารย์โน้นนี้หนะึก็มีพระอรหันต์กลุ่มหนึ่งมีอยู่กับพระความวันปฏิวันหนึ่งไปบินเทปับินเทปัเสร็จแล้วฌานเสร็จแล้วนะท่านก็นั่งคุยกันทําไมไม่รีบปฏิบัติมานั่งคุยกันเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะงั้นถ้าพระพวกเรานี้เป็นพระอรหันต์แล้วนะฉันเสร็จจะนอนเลยหลวงพ่อยังไม่ว่าเลยนะ แต่ถ้ายังไม่ใช่ไม่ได้ต้องทาก่อนทีมพระกามปฏิมันนั่งคุยกันก็นะมีองค์หนึ่งนะยกธรรมามาขึ้นมาบอกว่าเนี่ยผมภาวนานะผมรู้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกเมื่อนั้นจะลาสมูทยนะัยจะแจ้งนิโรธจะเกิดอรอยิยมรรคทุกองค์เลยบอกว่าใช่ใช่ใช่ รู้ทุกตัวเดียวเนี่ยลาสมุไทยอันตโนมัติเลยนะแจ้งนิโรธถึงพระนิพพานอันตโนมัติไปเกิดอริยมรรตอันตโนมัติเลยเนี่ยพระละหันคุยกันนะแร้ลงเห็นด้วยกันทั้งหมดพระความติท่า น, นบอกว่าที่พูดมาก็ถูกนะแต่ยังไม่สมบูรณ์ผมเคยได้ยินจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้ารู้ทุกก็เป็นอันละสมุไทยแจ้งนิโรธเจริญมรรต ถ้าลาสมุทัยได้ก็เป็นอันรู้ทุกแจ้งนิโรธเจริญมักถ้าแจ้งนิโรธได้ก็คือรู้ทุกลาสมุทยัยเจริญมักถ้าอริยมรรคเกิดขึ้นได้นั้นก็แสดงว่ารู้ทุกละสมุทยัยแจ้งนิโรธนะเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยได้เสี้ยวเดียวนะแต่ความรู้ของพระพุทธเจ้านะั้นมหาศ า, ศาลท่านครอบคลุมได้หมดเลย งงถ้เราไม่ใช่พระาราหันนี่ก็งงสิเนี่ยพระาราหันที่เหลือพอได้ยินนะโอ้ใช่ใช่ใช่เข้าใจตามที่พระเทเจาบอกงั้นการปฏิบัติของเรานี่แหละถ้าเรารู้ทุกไปเรื่อยๆนะเราก็พ้นได้ถ้าเราละสมุทัยนะเราก็พ้นได้ถ้าเราสัมผัสพระนิพพานเราก็พ้นได้ถ้าเราเกิดอริยมรรคเราก็พ้นได้แต่ทำยังไงจะเกิด สี่อันนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะจิตเดียวกันมันเหมือนโต๊ะตัวนี้มีสีม่มุมโต๊ะเบาๆหน่อยนะดึงมุมนี้นะโต๊ะก็คยื่อนดึงมุมนี้โต๊ะก็ขยื่นดึงมุมน้นมุมนี้โต๊ะก็เคลื่อนได้หมดหน้าที่ต่ออริยสัจสี่ตัวเนี่ยถ้าเราทาอันหนึ่งสำเร็จนะเราจะสำเร็จทั้งหมดริมักจะเกิดขึ้นมา ในขณนะนั้นนะรู้ทุกในขณนะนั้นละสงบทยในขณนะนั้นแจ้งนิโรธหนทางปฏิบัติพระเทเจ้าบอกไว้มีทางเดียวคือการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานก็ต้องมีมิหารธรรมมีอารมณ์กรรมฐานรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นอารมณ์กรรมฐานดูรูปธรรมไปใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดู ดูนามมาทำไปใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูนะค่อยก็แยกเคลดลับมันอยู่ที่ต้องมีจิตที่เป็นคนดูเคลดลับของการปฏิบัติมันอยู่ตรงนีง้ก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้กันเราก็เที่ยวหาธรรมะไปหลวงพ่อเองเที่ยวหาธรรมะนะว่าจะทำยังไงันได้มาผลนั่งสมาธิมายี่สิบสองปีมก็ไม่ได้อะไรนะได้แต่ความสงบอะไรเงี้ย อ่านพระเตยปีโกมันเป็นตู้ๆนะอ่านทั้งหลายรอบนะพระเตยปีโกอะแต่ถ้าอ่านได้เฉพาะพระพินัยกับพระสูตรพรอภิธรรมอ่ า, น, านไม่รู้เรื่องที่ท่านพุทธทาจะให้ตัดทิ้งน่ะมันมีประโยชน์มากนะไม่ใช่ไม่มีมันคือตัวครอดเช็คว่าธรรมะนะั้นถูกไหมอภิธรรมคือคําอธิบายธรรม ะ, ะอภีพินัยคือคําอธิบายพระพินัยทิ้งไม่ได้หรอกต้องรักษา ไินงั้นทุกคนตีความสเปสป่าหมดนี่หลวงพ่อก็เที่ยวหามันไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มต้นปฏิบัติยังไงจนเจอหลวงพู ด, ดุลท่านสอนถึงเรื่องจิตเพราะเราดูจิตได้เราเข้าถึงจิตได้นะธรรมะที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นที่ไม่เคยเข้าใจก็ได้เข้าใจที่ไม่เคยลดไม่เคยละก็ลด ล, ละได้ ยันขั้นแรกเลยก่อนที่เราจะไปปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานเนะีนะ่ยเพื่อจะได้รู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมักในขณะจิตเดียวกันนะเจริญสติปัฏฐานก่อนจะไปเจริญสติปัฏฐานได้ต้องเตรียมจิตให้พร้อมก่อนมีจิตสิคขาเรียนเรื่องจิตตัวเองก่อนแลนะถึงจะไปเจริญปัญญาศิคขานะเรียนเรื่องจิตตัวเองสังเกตจิตไปเรื่อย จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเฉยเฉก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้นะจิตโลภก็รู้จิตโกรธจิตหลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหุนหูก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็คือฟุ้งไปทางตาฟุ้งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจฟุ้งไปหกช่องหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไ่รู้สัมผัสที่กายหลงไปคิดทางใจเวลาหลงไปนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจ เวลาเราหลงไปดูใช่ไหมมีกายลืมกายมีใจลืมใจเวลาหลงไปคิดมีกายลืมกายมีใจลืมใจมลหลงไปคิดมัวแต่รู้เรื่องที่คิดนะนั้นตัวหลงมันคือตัวขาดสตนะิแล้วก็ไม่ได้รู้กายรู้ใจเพราะจิตไม่ตั้งมั่นจิตนี้ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่กายที่ใจนะนั้นจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนรู้กายรู้ใจเนื้อเคล็ดลับมันอยู่ที่เราต้องฝึกจิตให้ได้ก่อน ดังนั้นบทเองของพระทเจ้าเนี่ยีลสิกขาจิตตสิกขาสีลนี้ต้องรักษาให้จิตตสิกขาเรียนเรื่องจิตจนเราได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วพอเราได้จิตตัวนี้แล้วนะียเราก็เจริญปัญญาสิกขาดูกายอย่างที่กายเป็นใจเป็นคนดูดูเวทนาอย่างที่เวทนาเป็นคืออย่างความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์นะีเป็นเวทนา ดูเวทนาอย่างที่เวทนาเป็นจิตเราเป็นคนดูก็ดูรูปเสียงกินรสพผฏฐะาธํรมารมทั้งหนที่มันผ่านมาผ่านไปใจเป็นคนดนะูรูปเสียงกินรสสัมผัสธรรมารมนะดูไปเรื่อยๆขออย่างเดียวให้มีใจเป็นคนดูแต่ถ้ามีใจเป็นคนคิดไม่ได้กินหรอกอย่ามาดู ร่างกายก็คิดเอาร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาเาะฉะนั้นใจต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้รู้คือผู้ไม่ยุนไม่หลงเป็นผู้ตื่นคือหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันเป็นผู้เบิกบานร่าเริงในธรรมะจิตอย่างนี้ต้องพัฒนาขึ้นมา เราจะได้จิตผู้รู้ด้วยการทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตผู้หลงจิตผู้รู้กับผู้หลงนี่มันตรงข้ามกันเราสร้างจิตผู้รู้ไม่ได้แต่พอจิตหลงแล้วเรารู้ว่าจิตหลงไม่ต้องล้ามันนะจิตหลงแล้วรู้ว่าจิตหลงได้นะ้จิตหลงจะดับเกิดจิตรู้ขึ้นเองนะแล้วเดี๋ยวหลงใหม่รู้ใหม่หลงใหม่รู้ใหม่ไปเรื่อยๆเปรียญนี้นะในที่สุดจิตรู้เนี่ยจะเด่นดวงขึ้นมา มันเหมือนรู้ตัวทั้งมันหลวงพ่อทําได้แต่เป็นโยมนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมนั่นเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ะผู้รู้ไม่ใช่รู้อะไรหรอกหวยเฮ้ยไม่รู้หรอกพูดเรื่องหวยมีเรื่องแปลกหลวงพ่อไปเทศที่จุฬาเทศที่จุฬามีคนเอาลอตเตอรี่นะมาหยอดตู้นะแล้วก็เขียนไว้ที่ลอตเตอรี่เขาเขียนกระดาษแฝงไว้นะบอกว่าถ้าถูกรางวัล น, นะ ขอสมทบสร้างโบสถ์ดูดูดูวิธีทาบุญที่อัศจรรย์มากแล้วมันถูกด้วยสิไม่ต้องเอาอย่างนะค่อยๆสึกไปนะค่อยรู้ทันเวลาจิตเราหลงไปหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ตัวเนี้ยทำให้เยอะเลย ถึงจุดหนึ่งเได้จิตที่เป็นคนรู้เพราะมีจิตเป็นคนรู้แล้วพอสติะระลึกรู้กายก็จะเห็นความจริงของกายทุกล้นล้ว น, วนไม่ใช่ทุกขกสุขสติะระลึกรู้จิตก็จะเห็นว่าจิตเป็นทุกขล้ว น, วนไม่ใช่ทุกขกสุขนะจิตก็จะปล่อยวางกายปล่อยวางจิตทาไมปล่อยวางเพราะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวดีมันเป็นตัวทุก์ไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรมันจะทิ้งเองนะมาผลก็จะเกิดขึ้น พอสมควรเลยไปห้าหนาทีนะขอโทษด้วยเชิญไปกินข้าวนะกินข้าวเสร็จแล้วใครจะกลับบ้านก็กลับไปผ่นะอนเพ่อนไม่ต้องให้หรอกธรรมะเนี่ยให้ผ่อนตัวเองปฏแบบิบัติแล้วได้ผ่อนตัวเองนะไม่ต้องขอใครหรอก